เรื่องผ้ากำพลขนแข็งหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่ผมผ้ากำพลขนแข็งพิกษุูรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนแข็งแท้แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าคะ่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลขนแข็งท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้